เอาละสมควรเก่เวลาเนาะเออเดี๋ยวจะจะแนะวิธีฝึกเดินติดต่ออนั่งใส่ใจได้ติดต่อดีไหมครับกาบริกรรมเผลอลืมบ้างั้มไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเราต่อไปเราลองลองยืนเนาะลุกขึ้นยืน อ่านแล้ดยืนล้วยืน เย็นไม่ไหวไม่เป็นไรไ ม, มีที่เดินกันไหมก็เดิน เดินเนี่ยทำให้หงายหายง่วงเดี๋ยวค่อยๆ ย, ยืดเนาะเนี่ยวงบอกว่าแก่แล้วไม่เป็นไรเออเรามีจุดที่จะเดินไม่ต้องมากเท่าไหร่นะฝึกเพียงแค่เดินอาจจะไปทางไหนก็ได้ลองดูหันหน้าทางไหนดีได้ได้อ่าได้ได้ ยืนในท่าที่สบายๆมือจะอยู่ด้านไหนก็ได้ด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังที่เราสะดวกที่สุดเนียในท่าที่สบายๆไม่เกรงเป็นท่าที่ไม่เกรงไม่เกรงแบบสบายๆจริงๆการเดินเนี่ยเป็นการผ่อนคลายในท่าที่นั่งนานเกินไปจริงๆการนั่งนานเกินไปก็ไม่ดี ทีนี้เวลาเดินเนี่ยปกติถ้าสายของอมหาศีสยาดอเขาจะซ้ายย่างซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออันนี้เราใช้การบริกรรมเป็นกันเวลาส้นยกขึ้นก็คือสุกกายสุกใจพอเท้าถึงพื้นก็ปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยนะ ค่อยๆเดินสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกายสุกใจ ปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกกายสุกใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ยืนอยู่กับที่ในขณะที่ยืนอยู่กับที่เราจะบริกรรมสุกกายสุกใจปลอดภัยไปในตัวก็ได้แล้วก็หันกลับหันกลับ ใจเราแล้วก็ระลึกไปที่ไปที่เออาบทเดินนี่แล้วก็ยกส่วนขึ้นกระสุกกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัย สุกกายสุกใจปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยเรานึกถึงตนเองหรือนึกถึงบุคคลอื่นนจะจริงๆการเดินนึกถึงตนเองก็ปราถนาให้ตนเองสุขกายสุกใจแล้วก็ปลอดภัย ถ้าถึงที่แล้วก็หมุนกลับเพราะเรามีที่จำกัดเนอือันนี้ในยืนอยู่กับทีอ่อันนี้เป็นหลักในที่ท่านตรัสคำมาจากในเมตตราปริสฉนีย้ยเวลาเราขยับเท้าขึ้นยกเท้าขึ้นก็สุขกายสุกใจปลอดภัยเดินมาเลยสุขกายสุกใจปลอดภัย สุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุกใจปลอดภัยทำให้ใจเป็นสุขด้วยนะสุกกายสุกใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัยสุกกายสุขใจปลอดภัย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 ให้กับตนเองโดยคําที่เราระลึกถึงตนเองหลับตาระลึกถึงตนเองก็ได้คอยขาพระเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขก็คือสุขกายสุขใจปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยนั่นแหละนึกถึงตนเองระลึกถึงตนเองปรารถนาดีมีความรักปรารถนาดีแก่ตนเองแล้วปรารถนาให้ตนเองนั้นน่ะมีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยจริง ในคำบริกรรมนี้มันมีเนื้อหาสาระอยู่ก็คือการมีเมตตารักปรารถนาดีกับตนเองแม้หมุนตัวกลับก็เป็นไปนะหมุนตัวกลับไปก็สุข ก, กายสุขใจและปลอดภัยนยีให้นึกไปในลักษณะอย่างนี้นามอะไร นะแต่ก็จะเงียบเงียบแล้วให้เราค่อยๆฝึกกันเดินดูเดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกหลังจากเสร็จค่อยๆเดินหมุนตัวกลับนะ ที่เราคับแคบนิดนึงก็ไม่เป็นไรให้เมตตาจิตเกิดได้เป็นใช้ได้เราน้อมจิตให้เปนไปกับเมตตาได้นสุกกายสุขใจและปลอดภัยระลึกอย่างนี้ทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในตนและในบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เราพอจะน้อมถึงใครก็ให้เป็นไปลักษณะอย่างนี้ แต่จริงๆให้สัมพันธ์กับการเดินเท่านั้นเองเพื่อให้สติกำกับอยู่กับการเดินแล้วก็มีเมตตาจิตไปกับการที่เราเดินหลักการก็คือการฝึกให้เมตตามีกำลังมากขึ้นในทุกอียาบทในการยืนเดินนั่งนอน เอาละเดี๋ยวเรานั่งกันที่เนาะเวลาเปนจำกัดเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะหมดเวลา กับนั่งอันไหนอันไหนมีความรู้สึกดีกว่าเดินใช่ไหมงั้นต่อไปเราเดินไปไหนก็ใส่ใจไปเรื่อยๆเลยเนะเพราะเดินไม่ค่อยหลับดีใช่ไหมถ้าตามถ้าถอดบาลีออกมาในวิสุทธิมรรคเนี่ยเขาจะมีคำว่าเบิกบาลเป็นสุขพ้นทุกข์แต่ถ้าในเมตตาปริตเนี่ยสุขกายสุขใจและปลอดภยัยบางคนก็จะใช้ทัะดวก บางคนก็จะใช้คําว่าเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์เบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์เน้นสะดวกเขาเลยตัดมาจากคัมภีวิสุทธิมาร์กตัดบาลีนั่นนี่นิดๆหน่อยๆมาเบิกบานเป็นสุขและพ้นทุกข์บางบางท่านก็ส ะ, สะดวกในการใช้คําว่าเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกข์บางท่านก็ถนัดในเรื่องของสุขกายสุขใจปลอดภยัยแต่เราไม่อยากให้สับสนกันก็เลยให้ทำให้เหมือนๆกันจริงๆมีมีอยู่สามที่ ก็ตัดบาลีมาใช้กันเนี่ยนะมีหลายแห่งที่มาใช้กันก็เออมาดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นเรื่องดีด้วยซ้าไปสําหรับเราจะได้มีคําบริกรรมสั้นๆง่ายๆแล้วเป็นตัวช่องทางในการที่จะเดินจิตให้เป็นไปกับเมตตาได้เหมือนอย่างคําว่ายกเท้าขึ้นเบิกบานเป็นสุขแล้วก็พ้นทุกเบิกบานเป็นสุขพ้นทุกก็ได้ใช่ไหม แต่เอ๊ะเอามาเอาละเอาสุกกายสุกใจนี่แหละมามันนึกเอามารู้สึกคําสุกกายสุกใจเนี่ยปลอดภัยเนี่ยมาเห็นว่าในความรู้สึกของตนเองเนะว่าเออมันมันสะดวกกว่าก็เลยใช้แบบนี้นะเดี๋ยวจะไปสับสนกันเอาหลายๆที่มาแล้วเดี๋ยวสับสนกันตรงนี้แหละก็ให้เราเอาไว้เวลาเดินหรือเวลาคิดถึงคนอื่นคิดถึงตนเองได้หมดเลยนะ สุกกายสุขใจปลอดภัยเนี่ยปรารถนาไอ้เขาสุกกายปรารถนาไอ้เขาสุขใจปราถนาไอ้เขาปลอดภัยแล้วก็มีความปรารถนาตนเองสุกกายสุกใจและปลอดภัยคิดถึงตนเองก็ได้เมตตาคิดถึงคนอื่นก็ได้เมตตาคิดถึงบุคคลทั้งหลายก็ให้คําคําเนี้ยมันติดใจเราไปจนรู้สึกว่าเป็นอัธยาศัยไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อบริกา ร, รมอย่างนี้เราให้ให้สภาพจิตที่เมตตามันไหลได้ให้มีช่อง ให้มีช่องทางให้เมตามันไหลติดต่อละต่อเนื่องเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปล่อยจิตเราเพลินเพินเพลินเ พ, นเ พ, นเพินไปอยู่แล้วก็ให้มีคํานําร่องในการแผ่เลยใช่นั้นก็คือเป็นคาเหมือนคําอุทานออกมาเป็นคําเปล่งกล่าวออกมาเพื่อให้เมตตาจิตมันได้ความคุ้นเคยได้อาหารได้เหตุปัจจัยในการที่จะทำให้เมตตาเดินได้จริงๆสุข ก, กายสุขใจปลอดภัย ปราถนาให้ตนเองสุขกายสุขใจปลอดภัยปรารถนาให้บุคคลอื่นสุขกายสุขใจและปลอดภัยเนี่ยทั้งคิดถึงตนเองคิดถึงบุคคลอื่นก็ให้ใจมันน้อมเป็นไปกับเมตตาให้เมตตาเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อใจเป็นไปกับเมตตาเนี่ยบางทีพูดกับเขาก็บอกขอให้เขาปลอดภัยนะขอให้เขาสุขกายสุขใจและปลอดภัยนะมันก็เลยเป็นคำคำติดปากไปเลยใช่ไหมเป็นคําติดปากแต่ว่าให้สภาพจิตของเรามันได้มี ได้มีเมตตาผักออกมาได้จริงๆถ้าทำได้จนเป็นอัธยาศัยคิดก็คิดก็คือเมตตาเกิดพูดก็ให้เมตตาเกิดแล้วก็ทำออกมาก็ให้เมตตาเกิดได้จริงๆเมตตาก็จะไหลในกระแสของความคิดได้จริงๆไอ้ตรงนี้แหละว่าทำอย่างไรหนอที่เราจะผักเมตตาออกมาให้ได้ให้มาแทนที่ให้เร็วที่สุดเพราะว่ากิเลสอื่นๆมันหาช่องเกิดตลอดเวลาเผลอเมื่มอไรปุ๊บ กิเลสอื่นมันก็ได้ช่องได้ช่องมันก็เข้ามาโจมตีแล้วก็มาครอบงํากระแสชีวิตเนี้ยถามว่ามันเกิดมาได้ด้วยอะไรเนีด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทยานอยากแล้วก็กรรมใช่ไหมสังขารและอุปาทานอาวิชชาตัณหาปาทานสังขารและกรรมเนี่ยเป็นตัวผลิตนะเป็นตัวสร้างเขตทําให้ได้รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมา ฉะนั้นกิเลสตัณหาเวลามันมาเกี่ยวข้องกับขันธ์หหรือกระแสชีวิตเนี้ยมันจึงยึดถืออย่างเหนียวแน่นเลยนั้นจะแปลกใจทีนี้อุบายวิธีจะทํำยังไงที่เราจะไม่ให้มันมาเกาะในกระแสชีวิตเนี้ยก็เอากุศลให้เกิดขึ้นเราต้องการเดินเมตตาให้เกิดได้จริงๆก็ก็นี่แหละว่าสุขกายสุขใจและปลอดภัยก็ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดนั่นแหละขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรต่อใครๆเลย ขอให้เข้าไปเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบีย น, ยนซึ่งใครๆเลยขอให้เข้าไปเจ้าจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดก็สุข ก, กายสุขใจปลอดภัยนี่แหละว่างั้นเถอะนีก็ให้เอาคําสั้นๆง่ายๆเนี่ยมามาละลึกบ่อยๆแล้วก็น้อมใจให้เป็นไปกับเมตให้เมตตาเกิดแทนที่มเมื่อเมตตามาเกิด สภาพจิต ท, ที่เป็นไปกับเมตตาที่มีปัญญาคอยชําระสะสางไม่ให้กิเลส ท, ทั้งหลายเข้ามากุ้มรุมมีสติคอยปิดกั้นบาปอากุศลกา ร, รมันชั่วร้ายไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตมีความเพียรที่สร้างสรรค์ที่บอกมีความเพียรมีสมัมปชัญญะมีสติใช่ไหมก็คือการเดินสติปัฏฐานนี่แหละมีความเพียรที่สร้างสรรค์มีสติกําหนดหมายไว้อย่างมั่นคง แล้วก็มีปัญญาในความชาญฉลาดทั้งหลายในการรอบรู้ในการกําจัดอภิชาและทรมนัสก็คือไม่ให้กิเลสทั้งหลายมันไหลเข้าสู่จิตฝึกแล้วก็ทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตได้อย่างอย่างแท้จริงก็หวังว่าเราจะเดินยืนนั่งนอนทั้งหลายเนะี่ยก็ทเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแม้ในขณะยืนแม้ในขณะเดินแม้ในขณะนั่งแม้ในขณะนอน ใช่ไหมไม่ให้กิเลสได้ช่องไม่ให้กิเลสได้ช่องแม้เราจะไปกินอาหารก็ยังนึกได้เลยใช่ไหมให้ให้เมตตาจิตเกิดขึ้นป้องกันไม่ให้กิเลสไม่ให้อกุศลารากรมมันชั่วร้ายทั้งหลายไหลเข้าสู่จิตฝึกให้ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเมตตาเกิดแล้วหรือยัอยงก็ให้สังเกตดูว่าใจมีความสุขทุกขั้นตอนหรือยัง ถ้ามีความสุขมีจิตเ อ, อิบอิ่มมีใจผ่องใสมีจิตล่าเริงในการยืนเดินนั่งนอนเมตตาจิตไหลต่อเนื่องอันนี้แปลว่าประสบความสาเร็จได้ระดับหนึ่งแล้วนะแปลว่าคุณเดินสภ า, ากาศกรรมฐานในชีวิตจริงได้เป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานได้จริงๆไม่ว่าจะเป็น เ, เข้าไปจะสนทนาแต่ละครั้งก็ไม่พูดก่อนทามีสติกาหนดหมายให้เมตตาจิตกดก่อนจึงค่อยเปล่งวาจาออกมา เวลาจะเดินจะทํากิจใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้เมตตาจิตยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะหยิบอาหารเนี่ยถวายแก่สงหยิบอาหารเนี่ยให้กับเพื่อนหยิบอาหารให้กับพ่อกับแม่ไม่หยิบทันทีทันใดตั้งเมตตาทําจิตปรารถนาดีเอื้อทอให้เกิดขึ้นว่าเราปรารถนาให้ท่านมีอายุยืนปรารถนาให้ท่านมีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ค่อยหยิบแล้วก็ ยื่นให้ด้วยเมตตากายกรรมและพูดด้วยบอกว่าขอให้ท่านสุขกายสุขใจปลอดภัยนะเจ้าค้าอะไรสมมุติเนี้นะเนี่ยเยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นอัธยาศัยเป็นการฝึกจริงๆเลยว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามนโนกรรมแม้คิดถึงคนอื่นแล้วก็คิดให้เขาสุขกายสุขใจและปลอดภัยมันทาง่ายๆนิดนึง่งนนะีและในขณะเดียวกันก็คือว่าเราจะหยิบยื่นข้นขว้าช่วยเหลือใคร หรือจะซักผ้าจะทํากิจต่างๆให้กับคนที่เรารักหรือตัวเราเองก็แล้วแต่เนี่ยก็น้อมใจให้มีเมตตาเกิดมองเวลามองมองหน้ามองมองไปหาบุคคลอื่นทั้งหลายไม่ใช่มองแล้วทําใจมึนๆไม่ใช่ให้เขาสุขกายสุขใจและปลอดภัยให้เขามีความสุขให้เขาปราศจากความทุกข์ให้เขามีอายุยืนเนี่ยไอเนี้ยใช้ประโยชน์ง่ายๆอย่างเงี้ยให้ให้ให้คุ้นเคย น่ะเข้าน่ะเข้าจะไปคิดต่อยอดยังไงก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยให้ให้ใจมันน้อมหวังดีปรารถนาดีเอื้อทอนให้สภาพเมตามันวิ่งออกได้จริงๆมันหลุดออกไปมันวิ่งออกไปจริงแล้วก็ติดต่อแล้วต่อเนื่องแล้วแล้วให้สังเกตดูว่าเมตตาเกิดจริงๆริงไหมไม่ใช่คิดไปแต่ใจมันทื่อๆใจมันงอยเหงาใจมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเมตตาไม่ได้เกิดจริง ทำให้เกิดจริงฝึกให้มันเกิดจริงๆบางครั้งียาบทยืนมันคล่องกว่าียาบทนั่งก็ฝึกให้ได้ชำนาญทุกๆียาบทแม่นอนก็เหมือนกันแล้วก็นอนแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนอื่นทั้งหลายเนะี่ยจนกว่าจะหลับไปีนะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ให้นึกเมตตาเกิดก่อนเนี่ยนะจนเมตตาเป็นบ ร, ริจากนำแหละเมตานา เป็นเมตตามนากระแสชีวิตเลยว่ากันเถอะมเมตตามีเมตตานําหน้าจะดูก็มีเมตตาวิ่งไปก่อนจะจะคิดถึงใครเมตตาก็ไปก่อนจะพูดถึงใครเมตตาก็นําไปก่อนนี่เป็นต้นมีเมตตาเป็นตัวผักกระแสชีวิตในการดําเนินไปจริงๆก็แปลว่าเราจะไม่เปิดโอกาสให้กับตัณหามณฑที่มันเข้ามากุ้มรุมกระแสชีวิตเราถ้าตั้งหลักได้อย่างนี้พอจะชัดไหม ไม่ยากเลยเห็นไหมฝึกให้ได้แล้วก็ทำให้ติดต่อทำให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆทีนี้บางทีบางทีเราก็อาจจะไปคิดถึงพระจริยาวาสของพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาเราก็จะฝึกตามท่านยังไงอะไรต่างๆหเหล่านี้มันก็จะได้กำลังใจ ในพระชาติที่ท่านบาเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนขมะจนถึงปัน่นจนถึงเมตตาบา ร, รมีเป็นต้นก็คือทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกลุ่มกุศลนั่นแหละแต่ตอนนี้เราขับเน้นตัวเมตตาให้มีพลังเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปก็ให้พวกเราฝึกกันใช่ไม้มพระจะกลับก่อนเนยะ <c oughs> หรือมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีไหมมีไห ม, ม, มสงสัยอะไรไหม ไม่สงสัยเนยเช่นยังไงได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริ ง, รงๆเนื้อหาสาราจริงๆก็อยู่ที่ตรงที่ว่าให้เข้าใจลักษณะของเมตตาเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วทํากิจอย่างไรผลของเมตตาเกิดขึ้นแล้วเราจะสังเกตว่าตอนนี้ใจเรามีเมตตาจริงไหม คิดยังไงให้เมตตาเกิดตรงนี้คิดยังไงให้เมตตาเกิดใช่ไหมคิดไปที่จุดเด่นของคนเห็นความดีของคนได้ง่ายเห็นความน่ารักของสัตว์ทั้งหลายได้ง่ายเห็นเขามีกายกรรมที่น่ารักวิจิกรรมที่น่ารักมโนกรรมที่น่ารักเห็นพฤติกรรมที่น่ารักเนี่ยใจเราก็จะล่าเลิงผ่องใสถ้าไปคิดแง่ร้ายคนอื่นเนี่ยโทสะมันเกิดตรงนี้ก็คือฝึกคิดฝึกคิดให้ได้เมตตา ให้เมตตาเกิดคือคือในกระแสชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีมุมไม่ใช่เสแสร้งแกล้งคิดนะคิดไปมุมที่มีอยู่จริงนี่ตามในพระศาสนาไม่ใช่ปั้นเรื่องมาอคนเนี้ยเรายังไม่เห็นความดีเขาเลยแต่เราเสแสร้งแกล้งปั้นแต่งขึ้นมาว่าเขาดีเขาดีไม่ใช่ถ้าไม่เห็นความดีในะปัจจุบันเช่นพฤติกรรมก็ไม่เห็นวจิกรรมก็ไม่เห็นมโนกรรมก็ไม่เห็นเนี่ย ให้พิจารณาว่าเขาทําดีมาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เขาต้องบําเพ็ญกุศลกรรมบทมาเขาถึงได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เขาต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพลิดเพลิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดทัวเจอไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกุศลกรรมบทกสีห้าเขาต้องดีสิกรรมตรงนี้ทําให้เขาได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็นึกถึงกุศลกรรมที่เขาทํามาก็ทําใจเป็นเมตตาได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น แต่ไม่ใช่เสแส้งแก้งปรุงแต่งนะเอะเอเนี่ยเขาคงดีปรุงแต่งแบบนี้เพราะในพระศาสนาเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามไปคิดที่มันไม่มีจริงต้องให้เห็นความมีจริงของเขาแล้วให้เห็นจริงๆด้วยด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจเนี่ยถ้าไปปรุงแต่งในเรื่องที่มันไม่มีจริงขึ้นมามันกลายเป็นว่ามันเหมือนนักจิตวิยาเขาสอนกันเนี่ยไหมไปไปเสแสร้งแก้งแก้งปรุงแต่งกิจอย่างนี้ ในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเขาให้มองสิ่งที่มีอยู่จริงและทำเมตตาเกิดเหมือนกรณีที่เราคิดให้กรุณาเกิดเนี่ยก็ต้องคิดถึงเขากำลังประสบเห็นเห็นสัตว์ทั้งหลายประสรบความทุกข์ใช่หหรือจะประสรบความทุกข์เนี่ยเราไปมองเขากำลังเดือดร้อนทางกายทางวาจาและทางสภาพจิตใจยังไงเขาจะต้องเดือดร้อนจากการถูกกิเลสกุมรุมเดือดร้อนจากการเจ็บปวดในสังสารวัฏคิดอย่างนี้ กรุณาเกิดเงี้ยนะหรือไปเห็นเขาประสบความสำเร็จเงี้ยอย่างยกตัวอย่างนะอ่ะาธมุทิตาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าคนคนเนี้ยเขาทำไม่ดีเลยแต่ถูกยกย่องเอเราจะคิดให้มุทิตาเกิดยังไงต้องคิดบอกว่ า, วากูสนให้ผลเขาเขาจึงได้รับเกียรติยศชื่อเสียง เราไม่เห็นกรรมที่เขาทำในอดีตกรรมที่เขาทำในปัจจุบันหรือกรรมที่เคยบริรายละเอียดของกรรมอีกเยอะมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาได้รับยกย่องเราได้ยินข่าวไอ้คนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราได้ยินเพียงแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้นแต่ผลที่ปรากฏเกิดขึ้นเขาได้รับสิ่งดีๆมันต้องมาจากสิ่งที่ดีเขาทำแน่นอนแต่เข้าใจอย่างนี้มุทิตาเกิด โดยชนิดที่ไม่เอาความเห็นของตอนเองไปยึดถือว่าก็ฉันเห็นมันทําชั่วแต่ได้รับยกย่องไม่ควรเลยอย่างเงี้ยคนที่ได้รับยกย่องแสดงว่ากุศลให้ผลเขาจริงจรถึงแม้เราจะเห็นมุมที่เขาทาบาปอยู่แต่มุมกุศลเราไม่เห็นเราคิดไม่ออกไอ้ตรงเนี้ยก็ทํามุทิตาให้เกิดขึ้นได้เงี้เป็นต้นมองออกไหมแต่สังคมไทยเราเนี่ยเดินได้แค่เมตตากรุณาพอไปมุทิตาเริ่มไปไม่เป็นแล้วเิษยามันเกิดกันเยอะ มันก็เลยเบียดเบียนกันแท้จริงในหลักของพระวิหารจริงๆมันต้องเดินทั้ง4ข้อนี่แหละถึงจะถึงจะเป็นไปได้จริงถ้า ง, งั้นอคติมันจะเกิดแต่พวกเราเนี่ยก็ฟังให้เกิดข้อมูลความรู้แม้แต่อุเบกขาเนี่ยกรณีที่เราจะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามรักษากฎเกณฑ์กติกาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นต่อใครเราต้องการรักษาหลักการ คุณจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ตายายายถ้าทำผิดก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นๆกฎเกณฑ์กติกาว่าอย่างไงก็ต้องอย่างนั้นเราก็ต้องวางใจเป็นกลางตรงนี้แต่เราก็ยังเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายยายนะยังรักยังปรารถนาดีต่อกันแต่ตอนนี้คุณทำไม่ถูกก็ต้องรับผลของการกระทำแต่เราก็บอกว่าคุณอย่าท้อนะคุณก็ต้องรับผลของการกระทำเพราะคุณทำไม่ไม่ถูกจริง แต่ว่าความเป็นเพื่อนมันไม่ได้หายไปนะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่ได้หายไปนะเราไม่ได้ปราถนาให้เธอต้องประสบความวิบัตินะแต่เมื่อกฎเกณฑ์กติกาตั้งไว้อย่างนี้คุณก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นเนี่ยรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามกฎเกณฑ์กติกาในบ้านในสงังคมก็จะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นไหมเนี่ยฉะน้นตัวพรหมิหารเราเข้าใจเมตตาก็ต้องเข้าใจไปถึงกรุณาเมตตาและเวขาด้วย พื่จรักษากฎเกณฑ์กติกาให้ถูกต้องดีงามอาคติจะได้ไม่เกิดในใจเราอันนี้คือองค์แห่งความรู้จะต้อ ง, องรู้แต่เวลาเรามาเดินเมตตาตรงนี้เราต้องยอมต้องเข้าใจนะว่าตอนเนี้เมตตาเรามันยังไม่ค่อยเกิดต้องยอมรับความจริงเป็นอย่างนั้นจริงเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ระดมเพื่อจะทำให้เกิดเพราะการที่จะเกิดได้มันต้องระดมฝึกฝนต้องเพียรแล้วเพียนอีกต้องตั้งเจตนาแล้วตั้งเจตนาอีก ต้องไม่ท้อถอยเอาตอนนี้ไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดหย่อนยอมรู้ไหมว่ากว่าโทสะจะเกิดเนี่ยต้องเพียนขนาดไหนต้องเพียนมากเลยนะต้องพยายามคิดนี่มันไม่ดีแล้วก็ต้องมาปรุงแต่งแล้วแล้วเราเล่าเช่นไอ้คนคนเนี้มันจะต้องด่าเราแน่นอนแล้ว เห็นหน้ามันทีไรมันมองแล้วมันมันทำสายตาแบบเนี้ยแสดงว่ามันมันต้องคิดไม่ดีกับเราต้องไปนินทาเราต้องไปว่าเราทั้งทั้งที่เราไม่เห็นเลยนะต้องไปปรุงแต่งมากมายกว่าโทสะจะเกิดขึ้นและได้ได้อาหารได้กําลังใช่ไหมทุกอย่างไม่ว่าบุญหรือบาปต้องเพียนบุญญาไม่เกิดทั้งนั้นอยู่ๆมันเกิดไม่ได้แต่เพียงว่าเราเพียนให้เมตตาเกิดน้อยไปหน่อยเราไม่ได้เพียนแบบติดต่อและต่อเนื่องเท่านั้นเองถ้าเพียนจริงๆเนี่ย ไม่เหลือน่ะเข้าน่ะเข้าเพราะเมตตามันเกิดได้แล้วไม่ต้องเพียรมากเลยเหมือนคนที่โกรธจนเคยชินเนี่ยต้องเพียรเยอะไหมแค่นิดเดียวแค่นั้นเราเป็นเรื่องทันทีเลยนนี้โอโ้โหจะไม่ล่ะแค่แค่มันพูดให้ผิดหูนิดเดียวแค่นี้โอโ้โหจะเอาเป็นเอาตายให้ได้ขนาดนั้นนะเนี่ ย, ยแสดงให้เห็นชัดว่ามันติดติดลมบนแล้ว โทสะติดลมบนแล้วนี้เราเหมือนกันเราจะต้องทําลายโทสะด้วยการทําเมตตาให้เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าวิธีที่จะละโทสะเนี่ยไม่ต้องไปละไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะ<ๆ>เพียงแต่ทําเมตตาให้เกิดขึ้นแค่นี้เองไม่ต้องไปจ้องว่าฉันจะละโทสะยังไงมันจะนั่นยังไงไม่ต้องเลยนะเพราะเมตตาอยู่ในข้อของ เดี๋ยวถามว่าเมตตาพรหมวิหารเนี่ยอยู่ในอริยมรรคข้อไหนนี่ถามถามในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมายมวสัมมาสติหรืสมาสมาธิอยู่ในข้อไหนอยู่ในมรรคแปดข้อไหนเนี่ยตำท่าตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ในข้อไหนสัมมาสังกปะไงใช่ไหมเนคขมัสังกปะอัภยาปาทาสังกปะใช่ไหมแปลว่าอะไรก็คิดเมตตาไงคิดออกจากพยาบาทคิดที่จะไม่โกรธใช่ไหมมันอยู่ในนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเมตตาพรหมวิหารเข้าไปอยู่ในข้อของสมาธิศิกขาแต่ตัวสมาธิศิกขาเนี่ยตัว เมตตาจะเกิดได้หรือไม่มันอยู่ตรงที่คิดตัวนี้การการที่ทําอพยาปาทาสังกปาก็คือดํมบิดํมบิในการที่จะเป็นไปในความพรักปรารถนาดีไอตัวตรึกตัวนี้แหละที่มันจะเป็นไปปัจจัยต่อการทําให้เมตตาเกิดขึ้นเนอะก็คือเป็นมรคนั่นเองเป็นหนึ่งในมรคนั่นเองก็เป็นการดําเนินไปตามมรอารยมรนั่นเอง เพาเรามีเป้าหมายในการที่ทําเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแล้วเมตตาเป็นฐานต่อการจะเดินปัญญาญาณให้เกิดขึ้นนี้มีมีใครอยากสนทนาอะไรไหมไม่มีเลยได้ท่านหนัดแล้วใช่ไหมเออทนัดเปลี่ยนได้ไหมอ๋อเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ นั่งรถยี่ห้อหลายๆ ย, ยี่ห้อเลยบางที่จะดําเนินแต่จริงมันเคยยังเข้าใจสมัยก่อนนะ่ะมาบวชใหม่ๆมาทํายุบหนอพองหนอแล้วมาก็เรียนกรรมฐานพวกนี้มาตลอดต่อมาก็มาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไดน้เป็นเรื่องปกติมันอยู่ที่ว่าเราที่มันจะเกือกเเก้อกูลนะเกื้อกูลจะเป็นประโยชน์แต่ก่อนนี้ก็ มันก็จะพอถูกเราถูกครูบาอาจารย์สอนมาอย่างไรมันก็จะมีรูปแบบติดรูปแบบมาทีนี้วเวลามาเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมไปเรื่อยๆพอไปเปลี่ยนใหม่รู้สึกไม่ไมค่อยดีก็ <c oughs> เข้าใจได้เม่อไหร่บางทีแปลกๆนะว่ามันยึดติดเหมือนกันแต่ว่าจริงๆทั้งหมดเหล่า น, นี้สิ่งที่เราต้องการก็คือกุศลเนี่ยทยํายังไงให้เดินกุศลให้ได้เร็วที่สุดเนาะ ให้ทันต่อลมหายใจที่มันยังเหลือเวลาอันน้อยนิดชีวิตพวกเราเนี่ยเหลือเวลาอน้อยนิดกันหมดเลยนะไอ้ที่ะไรก็คือว่ากุศลที่ทำเนี่ยมันเป็นสมบัติมันจะตามส่งผลตามส่งเสริมกระแสชีวิตสุจริตกรรมทั้งหลายที่ทำเนะี่ยทั้งกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่แหละตัวกุศลอยมเคยได้ยินว่าให้ละกายะทุจริต เจริญกายสุดจริตและอย่าประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นเคยได้ยินพุทธพจน์ที่ไหมละวจีทุจริตเจริญวจีสุดจริตและอย่าประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นละมโนทุจริตเจริญมโนสุดจริตและอย่าประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นละความเห็นผิดเจริญสัมมาทิฏฐิและอย่าประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นพออ่านอย่างนี้จํามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอ๊ะทำยังไง วิธีการที่จะลงรายละเอียดที่เรียกว่าไม่ประมาทกายทุจริตเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเราละไหมละหรือไม่ละแล้วเรามาจเจริญกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนี่เราจเจริญไหมลวประมาทไหมถ้าไม่ประมาทก็คือตั้งเจตจำนงว่าจะไม่ให้กายทุจริต มาไหลเข้าสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะเปิดโอกาสให้กายสุจริตดาเนินไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องเพื่ออนุปาทาบาลินิพาน <c oughs> ให้ได้ใช่ไหมเออไม่ประมาทมันจะต้องตั้งหลักลงไปอย่างนี้ด้วยละวจีทุจริตก็ต้องละพูดเท็จสอเสียดคําหยาเพื่อเจื่อและจะปิดไม่ให้วจีทุจริตเนี่ยไหลเข้าสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปและจะเจริญวจีสุจริต ที่เป็นสัมมาวาจานเนี่ยไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ปล่อยให้ทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตแล้วบาเพ็ญสุจริตให้ภับู์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปละมโนทุจริตก็คือโลบโกดและหลงไม่ให้ไหลเข้าสู่กระแสะของชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเพียรพยายามเจริญมโนสุจริตนะก็คือไม่ลบไม่โกธแล้วก็ปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นละความเห็นผิดทุกอย่างนะ ละความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดเลยนะถ้าเป็นความเห็นผิดหยับๆก็ละแม้ความเห็นผิดแบบละเอียดที่เป็นที่เป็นอัตตาทิฏฐิสักยทิฏฐิเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนทั้งหลายก็จะเพียงจะไม่ให้เข้าไม่ให้ความเห็นผิดนีไหลเข้าสู่กระแสของจิตเพียรเจริญสัมมาทิฏฐิตั้งแต่กรมสักตาสมาทิฏฐิเป็นต้นไป จนถึงโน้นแหละมารกัสสัมมาทิฏฐิผลและสัมมาทิฏฐิให้เกิดใ ห, ให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องให้ได้ก็คือปิดนั่นเองตัวสติเนี่ยก็คอยปิดบาปแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีๆไว้กุน ค, ความดีไว้แล้วก็เพียรพยายามเจริญความดีนั้นให้ไพ่บุ์พินโยภาพยิงๆขึ้นไปเขาจึางเรียกว่าไม่ประมาทใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ประมาทก็เออเราก็ไม่ทาอะไรแล้วไม่ทาบาปแล้วแต่ว่า เปิดโอกาสให้บาปอย่างโทสะเนี่ยเรามีสติจระมนโนทุจริตคือโทสะให้ได้แล้วอะไรต่อเพียรในการที่จะเจริญเมตตาให้ติดต่อและต่อเนื่องไม่หยุดตราบใดเมตตายังไม่เข้าถึงเมตตาเจโตวิมุตเป็นต้นเหล่านี้ไม่หยุดเด็ดขาดใช่ไไม่ถ้าเข้าถึงความเจริญพบูลปุณพิญโยภาพยริงจงไปไม่หยุดไม่ยอม ต้องต้องเข้าถึงเมตตาให้ได้ต้องมีเมตตาเป็นหลักดําเนินชีวิตยอย่างแท้จริงให้ได้ถ้าอย่างนี้ก็เขาเรียกว่ามีความตั้งใจมุ่งมันได้ได้ได้ตั้งใจแบบนี้ไหมถ้าตั้งใจแบบนี้ก็โอ้มีพลังเลยแต่เนี้ยว่าต้องได้แน่นอนไม่ใช่บอกว่าจะลองดูจะค่อยเป็นค่อยไปไอย้ยางเงี้ยกรณีแบบนี้แปลว่ามันค่อยค่ ว่าจะให้กุศลเกิดก็กรปิดกระพอยเหมือนแต่พอรับบาปบาปไม่เปิดพุดเต็มที่เลยเขาให้เต็มที่เลยนะเวลากุศลเนี่ยยอมคิดว่ามันจะทันทีไม่ได้หรอกท่านต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นเวลากับบาปไม่เคยแบบนี้เล ย, เลยงั้นเวลาบอกว่าต้องไม่ไม่ลังเลสงสัยต้องได้แน่นอนใช่ไหม เหมือนว่าบางทีเราคนโดยทั่วๆไปก็จะมีลักษณะว่าเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่มามาก็ถามบอกว่าเลิกได้ไหมผมจะค่อยๆผ่อนลงก็แล้วกันท่านไม่ได้ไม่ได้สักลายเลยเนะถ้าบอกไปเจอบางลายบอกได้ครับแน่นอนทิ้งเลยเอาถวายพระเลย ถ้าอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยได้นี่ก็เหมือนกันเมตตาเนี่ยสามารถจะทําได้ไหมไ ด, ได้แน่นอนไหมนอนโอ้อย่างเงี้ยชื่นใจี้ได้แน่นอนแล้วต่อไปทํำยังไงทํำยังไงบอกว่าก็แล้วแต่มันจะเกิดอ น, นี้ไม่ได้นะบอกว่าได้แน่นอนฝึกเลยทําให้เกิดให้มีขึ้นเอาละเราจะทําให้มีให้เกิดขึ้นทุกียาบททาเมตตาให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเ น, นื่อง โอเคนี่แค่นี้ก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวโยมจะทำอะไรกันต่อก็ขอเชิญ